เรื่องอันเนื่องจากสัปดาส่งเสริมพุทธศาสนาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยข้อมวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการ เขาจะบังเกิดมีแต่ทันสาธุชนพุทธบริษัทเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพุทธศาสนาตลอดทั้งทันสาธุชนผู้มีความสนใจไฟในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ไฝบุญไฝ่กุศลทั้งหลายโดยเทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ เนื่องจาในช่วงเราระยะนี้ระหว่างนี้เป็นช่วงที่เราทั้งหลายได้ทราบกันดีทางหนาหนังเส้อพิ่มบ้างสำหรับท่านผู้ดีทีวีโทรทัศน์ท่านก็คงจะได้เห็นภาพที่แพ้ออกมาทางจอทีวีท่านผู้มีวิทยุก็คงแ ก, งกได้ยิน คือเรื่องเกี่ยวกับสภปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงวันวิสาขบูชาของทุกๆปีในปีนี้ก็เช่นเดียวกันและท่านทั้งหลายก็คงจะได้ทราบกันดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับวุกกตการงประชาธิปไตยการปฏรวงนายกที่มาจากคนกลางและในขณะเดียวกันมันก็มาตรงกันพอดีอพอดีกับสัปดาห์สองเฟริรมพระพุทธศาสนาแห่งชาติในช่วงวิสาขาบูชา อาตมาเองก็มีความรู้สึกเป็นห่วงต่อประเทศชาติบ้านเมืองสังคมหิ้งก็ราคากรงที่น้องประชาชนตั้งหลายผู้เรียกร้องประชาธิปไตยเขาก็ไม่ยอมเขาก็อยากได้ของเขาส่วนท่านที่เป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็นจะยืนยันยังไม่ออกอรู้สึกเป็นห่วงว่าจะไปยังไงก็ <c oughs> ได้แต่ภาวนายาในจิตในใจ ขอให้เหตุการณ์ทั้งหลายที่ตรึงเครียดเนี่ยจงพรภคายไปสู่ทางที่ดีสมกับเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่ซึมซาบอาบรถในจิตในใจของเรามาหลายชั่ว โคดหลายชั่วคนหลายชั่วบรรทบุรุษหลายชั่วพระมหากษัตริย์ไทยหลายชั่วพระราชวงศ์หลายชั่วราชธ า, านีเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําใจซึ่งเป็นศาสนาที่ไม่นิย่อมความรุนแรงใดๆ ปัตยปิโด2๑๙๒๖หน้า45เล่มคำซ้อน๘4 0 0 0ปรมคันไม่มีบทใดที่จะส่งเสริมที่จะสนับสนุนการกระทบกระทั่งการเปียบเบียนกันและกันมีแต่ถ้อยคำที่ให้ยอมกันได้ให้อภัยกันได้ จนคนไทยของเราพูดกันติดปากว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารและในลักธคำจริงๆยิ่งปรปกว่านั้นอยู่เนื้อแพ้เนื้อชนะ <c oughs> จนถึงมีคำว่าชัยังเวลังปสสะวติทุกขังเสติปราชิตุผู้ชนะกอ่อทกผูกอาฆาต ผู้แพ้นอนอานาหรือไทยถอนอุปสันโตปฏิกริษามิผู้สงบนอนศกไม่ทุกร้อนเพราะเพิกถอนเสียได้ทางแพ้แหละช น, นะ <c oughs> อามาก็ปรารธนาะให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ากาหากกันไม่อยากจะเห็นความเดือดร้อนวุ่นวายในพื้นแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนา ในที่สุดเหตุการณ์นั้นก็ได้คลี่คลายลงหน่าอนุโมทนาสาธุการน่ารักทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายที่มีกําลังมีคุมอํานาจมีอาวุธอยู่ในมือก็อดกลั้นอดทนเพียงพอไม่ใช้อํานาจตามอารมณ์ของตนเองฝ่ายที่เดินขบวนประท้วงเรียกร้องที่เรียกว่าม็อบมบมบนะ ก็ไม่มีอาการรุนแรงสงบใจเยมนน่ารักและถึงวัน ส, ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาสปดาส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ก็บอกว่าเมื่อสมเด็จกวาเทพรัตนสุดาจ ะ, สะเสด็จผ่านมา ประชาชนเป็นสังแสนก็หันหลังออกไปข้างนอกกับมือประสานเป็นการต้องกันรักษาความสงบปลอดภัยทำความสะอาดสถานีให้พร้อมแต่ก็ได้ทราบว่าท่านได้เปลี่ยนเส้นทางและในขณะเดียวกันมหาชนตังางยก็ตกลงเลิกสลายการประชุมกลัวจะ ไม่สะดวกในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติและก็ยังมีบวมนัดกันมาเพื่อทำวิสาขาบูชามาใส่ชุดขาวส่วนเรื่องอื่นก็พักมันไปก่อนเลยว่าพักยกในการต่อสู้เพื่อ ป, ประชาธิปไตยแต่หากยังไม่มีอะไรคืบหน้าเปลี่ยนแปลงต่อไปเกาะว่ากันใหม่ในยกที่สองยกนี้ง่ายๆก็เรียกว่า พระพุทธศาสนานั้นเองเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยให้มหาชนทั้งหลายได้หยุดการชุมนุมเป็นสันแสนหารมาประกอบพิธีกรรทางพุทธศาสนาเสียก่อนอันนี้คืออานิสงส์ของพุทธศาสนาท่าจะว่าไปแล้วหน้าอนุโมทนาสาธุ ก, การอัลลาห์จว่าไปมาก เ, เรื่องมาก ในวันนี้อดมาก็อยากจะพูดถึงสวดาทรงเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยากจะนำท่านตั้งหลายมาดูความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติแม้ว่าเราจะยังไม่ตราลงไปในระลับธรรมนูญที่ชัดเจนก็ตามแต่มันก็มีมาแล้วหลายชั่วราชธ า, านี เราจะดูพระพุทธศาสนาของเราในแง่ไหนในแง่ที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมันก็ไม่ผิด90เปอร์เซ็นต์90กว่าเปอร์เซ็นต์ของพลเมืองบ้านนี้เมือง น, นี้นับถือพระพุทธศาสนาจะมองว่าพระพุทธศาสนาเป็นแกนนําเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยก็ไม่มีทางที่จะผิดไปได้ ทำให้ไทยเป็นประเทศชาติบ้านเมืองรอดพ้นจากปากเยื่อปากกา ม, มาก็เพราะอำนาจแห่งพระพุทธศาสนาอาศัยพุทธศาสนาเป็นลัฐะสศเป็นรัทธิิบาลลัฐาโนบายอีกด้วยทีนี้ถ้าเราจะมองว่าพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่ชนชาวไทยเรา ก็ไม่มีทางที่จะเป็นอื่นไปได้เมืองไทยโชคดีที่สุดประเทศใดก็ตามแต่หากมีศาสนาเดียวเป็นศาสนาประจำใจของชนหมู่ใหญ่ประเทศนั้นบ้านนั้นเมืองนั้นต้องถือว่าโชคดีที่สุดและในประเทศเหล่านั้นก็คือประเทศไทยเรานี้แหละประเทศหนึ่งทีนี้เราจะมาว่า พระพุทธศาสนาะเป็นสถาบันคู่ชาติไทยก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเทศไทยของเรานั้นจะเริ่มมาจากไหนก็ตามจะมองไปจากทางภาคอีสานทางลาวนี่ก็ตามเราจะเห็นพระธาตุพนมพระธาตุเชิงชุมสัญลักษณ์สักรีสักคีพยานมององไปทางใต้ พระบรมธาตุชัยยาก็ดีมหาธาตุนครสีธรรมราชปักใต้บ้านเรานน่นก็ดีมองขึ้นไปทางภาคเหนือพระธาตุนรสุเทพศรีรฤพนชัยที่ลำพูนก็ดีพระธาตุช่อแฮที่เมืองแพร่นน่นก็ดมีมีทางเป็นอื่นไปได้เราจริงถือว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันคู่ชาติตั้งแต่สมัย ล้านนาหรือมาทำฝั่งโค้งทางนี้ก็ล้านช้างภาอิสานนี่เรียกชื่อว่ามาจักศรีโคตบูนสริโคะมะปุระดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองเจริญด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณโคโดมมาถึงสมัยสุโคไทยก็ยิ่งชัดเจนขึ้นมา ต่อมาเราจะมองวาพุทธศาสนาเป็นศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรีมันก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นมาเองเพราะคนไทยมีชื่อเรียกตนเองว่าไทยหรือชื่อเก่าๆว่าสยามก็ดีไทยก็ดีมันเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกิตเสรีหรือว่าไทยไทยไทยไทยเป็นภาษาบาลี แปลว่าความไม่เป็นธาตุความเป็นใหญ่อยู่ในต้นส่วนสยามสยามสยามก็เป็นภาษาบาลีวะสยามสยหรือภาษาสันสกฤตว่าสยามสยามสยามวสีมีอำนาจในตนมีอำนาจในตนเมืองไทยเรียกว่าเมืองสยามก็ดีก็เรียกว่าเมืองที่มีอำนาจอยู่ในต้น อย่างพระพุทธเจ้าท่านพูดเกี่ยกาชีวกว่าสยังอภิญญาญากมุตติสยังเราเป็นผู้รู้ยิ่งโดยตัวเราเองหสยังอภิญญาญารู้ยิ่งเองไม่มีใครบอกใครกล่าวใครสอนสยามมาจากภาษาบาลีวะสยังภาษาสันสกฤตว่าสยามออกเสียงภาษาไทยยาวหนึ่งสยามก็แปลว่าความ เป็นตัวของตัวเองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะมองพระพุทธศาสนาในแง่ว่าพุทธศาสนาเป็นแหล่งสำคัญเป็นที่หล่อล้อมเอกลักษณ์ของชาติไทยอย่างนี้เหมือนก็เห็นได้ร100้อยเปอร์เซ็นต์ันเปอร์เซ็นต์มองว่าพระพุทธศาสนาเป็นมรดกเป็นคลังสมบัติอันล้าค่าของชนชาติไทยก็ไม่มีทางแก้เถียงได้ อี่นี่จะมองพระพุทธศา ส, น, สนาเป็นหลักนำทางในการพัฒนาชาติไทยในอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่มีทางจะเป็นอื่นปัจจุบันเราวิ่งไปพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีกับพวกฝรั่งในที่สุดจนมาถึงแผนที่เจ็ดเราก็ไปไม่ไหวเห็นความเฟื่องในจิตใจเมื่อไรสินไรทำไรศาสนาจเจริญแต่ทางวัตถุ กรเอารัดเอาเปรียบการกดคี่ข่มเหงความเดือดร้อนพูดนวายนับวันที่จะพูดกันไม่รู้เรื่องในที่สุดเราก็ปรับแผนพัฒนาแผนที่เจ็ดกับเข้ามาสู่การพัฒนาจิตใจมันก็ห น, นีไม่พ้นหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาพวิตากายพวิตศสินพระวิตจิตพระวิตปัญญาพัฒนากายพัฒนาศินพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาพัฒนากายพัฒนาศินเป็นเรื่องพัฒนาภายนอก พัฒนาจิต พ, พัฒนาปัญญาเป็นเรื่องพัฒนาภายในเมื่อพัฒนาภายนอกเข้ามาสู่จิตใจภายในพัฒนาจิตใจภายในออกไปรประสาน ร, รับสังคมภายนอกมันก็ครบวงจรหรือว่าพัฒนาครบวงจรมีสมบูรณ์แบบในทางพระพุทธศาสนาที่นี่สุดท้ายเราจะมองพระพุทธศาสนา เหล่งของดีมีค่าที่ชนชาติไทยมอบให้แก่อรยธรรมของโลกให้ก็พูดกันได้เต็มปากเอกเหมือนกันวา่าพุทธศาสนาก็มีส่วนที่ให้ความสำคัญแก่อรยธรรมของโลกในฐานะที่โลกนี้ได้เกิดมีมนุษย์ขึ้นมาในโลกและกลุ่ ม, มนุษย์ที่มีความเจริญด้วยศักยภาพ ของความเป็นมนุษย์เองมก็มีโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวไตยของเราพุทธศาสนาของเราในต้องถือว่าเป็นส่วนที่มีส่วนช่วยเรื่อความเจริญของโลกเลยว่าอารยธรรมของโลกเป็น contribution to the civilizations of the world ได้อย่างไม่อายใครเลย อ, อย่างภาคภูมิใจนี่เราให้ท่านทั้งหลายฟังเราจะมองพระพุทธศาสนาของเราในแง่ไหน ที่มังพิเศษที่มันสำคัญมากที่สุดสหรับอาตมานั้นในยุคปัจจุบันนี้ก็อยากจะให้ท่านังล้ายได้มองพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจทําำให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีในหมู่ชนชาวไทยของเราทั้งชาติตั้งเจอดูท่าเวลาใด ความแตกราวสมัครสมานสามคัคคีเกิดขึ้นมีในกลุ่มชนชาวไทยหมู่ใดคณะใดก็ตามแสดงว่าพุทธศาสนาได้เจือจางลงแล้วจากจิตใจของคนไทยกลุ่มนั้นปัญหาหก็ตามมาพูดกันไม่รู้เรื่องขึ้นมาทันที แต่ปกติคนทั้งหลายจะอยู่ร่วมกันได้ดีนั้นมีความพอมเพียงกันต่อเมื่อมีหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอย่างนั้นอย่างเดียวกันมันจะเป็นเหมือนแกนหรือเป็นสายเป็นเชือกที่ร้อยเหมือนร้อยดอกไม้ให้มันเป็นพงามาลัยงดงามในบรรดาหลักความเชื่อหรือเครื่องยึดถือเหนี่ยวจิตใจทั้งหลายนั้นกล่าวเดว่าัสสนา เป็นหลักความเชื่อที่มีกำลังสูงมากที่สุดในกระบวนการหลักความเชื่อทั้งหลายในโลกในสังคมของมนุษยชาติาศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่เหนียวแน่นลึกซึ้งที่สุดประเทศชาติได้ประชาชนได้นับถือศาสนาเดียวกันก็ต้องนับว่าประเทศชาตินั้นมีโชคดีอย่างยิ่ง คือมันจะไม่ต้องประสบความยุ่งยากหรือบางในการที่จะทำให้ประชาชนมีจิตใจประสานรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างเสริมความพร้อมเพรียงสามัคคีขึ้นได้โดยง่ายไม่อยากเย็นที่อย่างไรก็ตามในกรินนีส่วนละเมืองส่วนใหญ่นับถือศาสนาเดียวกันแม้ว่าจะมีความสามัคคีในระหว่างชนส่วนใหญ่นั้นแลว้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็นการแน่นอนว่าประชาชนทั้งชาติจะมีความสามัคคีกันด้วยดีอย่างแท้จริงเพราะถ้าความสามัคคีของชนส่วนใหญ่นั้นไม่เป็นไปโดยชอบก็จะเกิดปัญหาระหว่างประชากรส่วนใหญ่กับชนส่วนน้อยที่นับถือศาสนาต่างกันคือมันจะข่มเหงมันจะเบียดเบียนกัน แทนที่จะเกิดความสามัคคีในชาติก็จะกลายเป็นการแตกแยกขัดแย้งเบียดเบียนกันโดยที่ชนต่วใหญ่จะบีบคั้นข่มเหงคนกลุ่มน้อยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องนับว่าความมีโชคดีกับกลายเป็นเคราะห์ร้ายมันเหมือนกับนั่งอยู่บนแพ้ที่จะข้ามสั่งขามฟากโชคดีที่มีแพร่ขี่ข้ามฟากแต่สุแล้วก็ถอดเอาไม้ไผ่ในแพรมาตีมาฆ่ากันเองแงนี้มันเป็นปัญหา เพราะนั้นถ้าเป็นความสามัคคีโดยชอบทามันก็ดีงามแต่ถ้าสามัคคีกันมีสาตนาและก็แตกกันไปก็เป็นเหล่าอย่างนี้ยุ่งยากลำบากแต่ถ้าไม่รวมกำลังพร้อมเพียงกันในหมู่ที่ถือสาตนาเดียวกันแล้วก็จะลำบากแต่ถ้าเป็นเหตุ มีให้แตกแยกกันมันก็เป็นการดีแต่ถ้าแตกแยกกันจะถือมูกีขั้นคนพวกอื่นด้วยในที่สุดมันก็จะลำบากแต่ถ้าศาสนานั้นเป็นศาสนาที่นี่ปฏิความรักความเ ม, มตตาปานี ไม่จะอยู่คนละาศาสนาเป็นชนกลุ่มน้อยกว่าก็ตามมันก็จะแผ่ความเมตตาปานีไม่ตีจิตมิตรภาพแก่ศาสนิกพวกอื่นด้วยในฐานะที่ว่าแม้จะนับถือศาสนาต่างกันแต่ก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจึงไม่ทําให้เสียสามัคคีในชาติสมาชิกชนในบางาศาสนาไม่เพียงแต่จะแบ่งแยกเบียดเบียนยอมรับหรืออยู่ร่วมกันไม่ได้กับศาสนาชนที่นับถือศาสนาอื่นเท่านั้น แต่กับศาสนาของตนเองศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายก็ทนกันไม่ได้ต้องยกเอาความถือต่างทางาศาสนานั้นเป็นเหตุวิวาทขัดแย้งหรือถึงกับพิขาดเข็นฆ่ากันในกรณีเช่นมีการยกาศาสนาใดาศาสนาหนึ่งขึ้นเป็นาศาสนาประจำชาติย่อมหมายถึงการยกนิกายใดนิกายหนึ่งานานขึ้นสู่ฐานะนั้นการปฏิบัติ เช่นนั้นย่อมไม่มีทางที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีที่แท้จริงของชนในชาติจะมีได้ก็แต่ความสามัคคีของชนกลุ่มหนึงแล้วก็เพื่อจะไปเบียดเบียนชนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสามัคคีของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นไม่เป็นสามัคคีสากลของชาติ เมื่อแบ่งเป็นสองกลุ่มก็มีสามัคคีสองกลุ่มแล้วก็ทะเลาะการเข้าบีบคั้นครอบงำหรือทำลายซึ่งกันและกันตลอดจนความสามัคคีในแต่ละกลุ่มของคนมากมายหลายกลุ่มถกแก่งแย่งช่วงจริงอํานาจและผลประโยชน์ซึ่งกันและกันหลบลูดูมินกันวิวาดขัดแย้งซึ่งกันและกันหลักความเชื่อข้อปฏิบัติทางศาสนาโดยใช้วิธีรุนแรงประโยชน์สําคัญอย่างหนึ่ง ที่รัฐทั้งหลายคาดหวังจากศาสนาก็คือการทําให้เกิดความสามัคคีในชาติประเทศใดก็ตามถ้ามีศาสนาเขาก็ย่อมอยากจะให้ศาสนาเขานั้นทําให้เกิดความสามัคคีในชาติปกครองง่ายบริหารไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะฉะนั้นผู้ปกครองรัฐประเทศก็ต้องมองถึงปัญหาอันนี้เหมือนกันพอเหตุ น, นั้นจึงมี บางรัฐยกศาสนาขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติแล้วก็สร้างความสามัคคีไว้ได้สําเร็จแต่บางรัฐทําเช่นนั้นแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาคนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยเบียบดเบียนบีบขันซึก้งอะไรกันบางรัฐยกศาสนาในรูปสถาบันที่เป็นรูปธรรมขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติบางรัฐไม่จําเป็นต้องรักษาสามัคคีด้วยการมีศาสนาเพราะว่ามันยุ่จยากลําบากเขาก็ไม่ให้มีาศาสนาประจำชาติ แต่ในขณะเดียวกันใครจะถือศาสนาอะไรเขาก็ให้ถือแต่ไม่ยกให้เป็นศาสนาประจำชาติมันจะทะเลาะ ก, กันยกตัวอย่างอย่างเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริศสศาสนาเดียวกันนั่นแหละแต่มันก็คนละนิกายทั้งทั้งพวกโปรเตสแตนต์และพวกคาทอลิกมันก็ลำบากทะเลาะ ก, กันเอง เมื่อประกาศอิสรภาพตั้งเป็นประเทศเมื่อปีพศ2319หรือว่ัดทศกัลลา1776ต่อมาก็ได้ตรา บ, บัญัติในรัฐธรรมนูญว่าไม่ให้ยกสถาบันศาสนาใดขึ้นเป็ น, าานศาสนาที่รัฐบาลสถาปนาคือไม่มีสถาบันศาสนาใดเป็นศาสนาประจำชาติซึ่งตีความกันมาให้เรียกว่า ให้ให้ให้รัฐกับศาสนานี่ยแยกออกจากกันรัฐก็ บ, บริหารส่วนรัฐไปสถาบันศาสนาก็ บ, บริหารทางศาสนาไปดื mm ่ hmm. ว่า s e p a r a t i o n of church and state ที่มันเป็นที่นี้ไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากมีศาสนามันมีปัญหาคือประเทศอเมริกานั้นไม่ให้ยกศาสนาใดศาสนาขึ้นปกครองศาสนาประจำรัฐศาสนาประจาประเทศก็เพราะว่า คนอเมริกาได้ผ่านประสบการณ์อันขมทื่นทางศาสนามาจากทวีปยุโรปเขาคือชาวอเมริกันนั้นจำนวนมากเป็นผู้ประสบภัยจากการขบขีคมเพงระหว่างสาตนิกในศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายในทวีปยุโรปก่อนที่เขาจะย้ายมาจากอังกฤษมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาวีปหามากเลยเขาก็เลยหวาดกลัวถ้านิกายอื่นได้รับการสถาปนาจากานิกายของแต่ละอันก็จะประสบฐานะ ต้อยต่ำลงอีกนิกายหนึ่งนิกายของเขาดีนิกายของเราไม่ไว้ไม่ได้เป็นแย่เป็นตัวเนี่ยมันมีปัญหาใหต้องเผชิญชะตากรรมเดือดร้อนลำบากในเรื่องศาสนาที่นี้ไอ้บทเรียนที่ได้ประสบมาแล้วในทวีปยุโรปก่อน อ, อพยพ จ, จึงต่างก็พยายามเกียงงอนไม่ยอมกันสาเหตุระหว่างศาสนาเดียวกันแต่ต่างนิกายมีถึงสามข้อ มีเหตุผลอื่นอีกอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นบทเรียนทางศาตนาจากยุโรปเช่นเดียวกันคือความตื่นตัวทางปัญญาจากการที่วิทยาศาสตร์ได้จเจริญขึ้ น, นวิทยาศาสตร์ได้บันทอนความเชื่อแบบบังคับศรัทธาเฟฟลลีบังคับอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ได้ทำให้ศาตนามันจางลงกันทีเพราะพิสูจน์ได้ที่ต้องยอมตามคำบ่งการจากสงสวรรค์ ให้เชื่อไปคอมันเม่นจากพระเจ้าก็เสื่อมขายลงชนชาติใหม่ที่นิยมอิสระเสรีภาพจึงมองเห็นเหตุผลและโอกาสอันสมควรที่จะปลดปลื้องกิจการของรัฐจากอิทธิพลครอบงำทางศาสนาสรุว่าประเทศสหรัฐอเมริกาไม่มีศาสนาเปิดจำชาติเพราะไม่มีเอกภาพทางศาสนาถ้าจะให้มีศาสนาเปิดจาชาติต้องจกนิกายใดในิกายหนึ่งขึ้นมาไม่ใช่ อ่าเดโมมาไม่ใช่คาทเลตกก็ต้องเป็นโปรเตสเทนถ้าเอาคาทเลตขึ้นโปรเตสเทนก็โวยทะเลาะกันถ้าเอาโปรเตสเทนขึ้นคาทเลตกก็เอาอีกละมันก็เลยมีปัญหาเกิดแตแกแยกสามัคคีกันขึ้นการมีสาปธนาประจำชาติก็จะกลายเป็นทําให้เกิดความไม่สามคัคคีดังนั้นจึงจําเป็นต้องเลี่ยงโดยรักษาความสามคัคคีด้วยการไม่มีสาปธนาประจำชาติ แต่อย่างไรก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงต้องการให้ศาสนานั้นเป็นหลักที่เหนี่ยวทางจิตใจช่วยทําให้เกิดความสามัคคีอยู่นั่นเองเพราะอย่างน้อยเรามีพระเจ้าคือพระเยซูปเป็นศระต า, าก็เลยไม่ถือเอาศาสนาแบบเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสถ า, าบันอย่างอุปธรรมช่วยสร้างสามัคคีนั้นมันไม่ได้มันจะทะเลาะ ก, กันจึงต้องหาวิธีอื่นในที่สุดก็หาทางออกได้โดยยกเอาศาสนาที่เป็นนามธรรม เอาตัวพระเจ้าขึ้นมาเลยไม่ต้องว่าโปรเตสแตนต์ไม่ต้องว่าแคทอลิกเอานามาทำขึ้นมาสถาบันนาเป็นหลักของชาติทำนองยกเป็นาศาสนาประจำชาติเมื่อปีพศ2497พฤศจิกา 54, ลาศ1954รัฐสภาอเมริการิสภาของเกรสของเขาเนี่ยได้มีมติให้เพิม่มนเาบออ่านเดอะกอดเข้าต่อท้ายคขาบอกวันนี้ฉัน คือคำปฏิญาณทนของอเมริกาเป็นวันนี้ฉนอันเดอร์กอดแปลว่าประเทศอเมริกาเป็นประชาชาติอันหนึ่งอันเดียวภายใต้องค์พระผู้เป็นเจา้าและต่อมาอีกสองปีจาก97มาถึง2499คือศักราช1956รัฐสภาอเมริกันก็ได้มีมติยกข้อความเพิ่มขึ้นมาอีกว่าอินกอดวิทแต่ว่าเรามอบ ชีวิตฝากจิตใจไว้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้นเป็นคำขวัญเป็นเนชนาลมัตโตเป็นคำขวัญของชาติขึ้นมา mm. ต่นี้ในประเทศไทยของเรานีพุทธศาสนาได้พิสูจน์ตัวเองมาแล้วตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานพุทธศาสนินกชนนอกจากมีหลักยึดเนี่ยจิตใจอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่พวกตนแล้วก็ยังอยู่ร่วมกันได้ดีกับาศาสนิกชนในศาสนาอื่นโดยมีไมตรีจิตวิถภาพ ตามฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่มีเคยการเบียดเบียนข่มเหงศาสนาะอื่นศาสนิกลามชนพวกอื่นไม่เคยมีในประเทศไทยของเราในพุทธศาสนานี่ก็เหมือนกันดูตัวอย่างพระเจ้าอัศกมหาราตแม้แต่จะตีประเทศอินเดีย1ิบหประเทศนะแต่ก่อนเป็นคนละประเทศมารวมเป็นประเทศเดียวกันและพระองค์ก็นับถือพุทธศาสนา สถาปาันนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติด้วยอำนาจจักรพรรดิแห่งอโศกแต่พระองค์ก็ไม่บังคับชนกลุ่มอื่นคณะอื่นที่ไม่นับเป็พุทธศาสนาแล้วก็ยังไม่เบียดเบียนสุดท้ายยังประกาศว่าทุกคนเกิดในแผ่นดินของข้าต้องถือว่าเป็นลูกของข้าจะต้องขึ้นสวรรค์กับข้ามีแต่วความไม่ตาปันไม่มีการดีควค้นกลมขีดสาสนิกระชนศาสนาอื่นนอกจากนั้นยัง มีให้เข้ามาเยผยแพร่ได้อย่างสบายๆที่นะ่าโดยใกล้ชิดก็จะเห็นใช่ไว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นตามวิสัยของจิตใจพุทธชนที่มีความยึดมั่นรักใครห่หัวเห็นในสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นของตนแสดงออกมาบ้างเป็นบางครั้งบางค า, ง า, งางวโดยไม่มีหลักฐานที่จะเห็นคําสอนของพุทธศาสนาเนี่ยโยกขึ้นมาอ้างอิงเป็นหลักฐานสนับสนุนให้เกิดการเบียดเบียนกันขึ้นได้ไม่มีทางเป็นไปได้ นำมาเปรียบเทียบกับกรณีร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งในประเทศชาติศาสนาอื่นๆประเทศอื่นลบกันเพราะศาสนาเนยอะแยะไปขบวนการศาสนานักลบเพื่อศาสนาเกิดฮอลลวูดเกิดจูมาฮิดินอะไรต่างๆขึ้นแต่ที่พุทธศาสนาจักไม่มีกรณีต่างๆเพียงน้อยนิดในประเทศไทยเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างไม่อาจยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันได้เลย โดยเหตุนี้การยกเอาพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นศาสนาประจำชาติจึงเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวไทยทั่วทั้งหมดโดยก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในบรรดาชนส่วนใหญ่และในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าพุทธศาสนาจะใช้อำนาจแต่เป็นศัตรู มีตามตรีปานีความรักเต็มเตยมในหัวใจในหลักธรรมบอว่าถึงขนาดกูได้จะเอาเลื่อยมาเลื่อยร่างกายไปจนถึงกระดูกจนขาดเป็นท่อนพุกคนทั้งหลายถ้าเธ อ, อยังโกรธพวกคนเหล่านั้นอยู่เรากะาวว่ายัางไม่ใช่คนของเราเลย <c oughs> นี่คือความมีตาปานี เมื่อตังแต่ประเทศไทยได้มีประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องชัดเจนเป็นของตนจนชาติไทยก็นับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาโดยตลอดกิจการหตุการต่างๆสำคัญมากมายในบ้านเมืองเป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามและมีชืน่นกปรผสมประสานกับคติทางพระพุทธศาสนา จนการได้ว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็เป็นประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาด้วยในแง่มุมที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่เอเชียแม้ในยุคปัจจุบันก็ยังมีคำขวัญที่ถือกันต่อมาว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เป็นความหมายที่แสดงโดยสีทั้งสามของของตอยลงในภาคอีสานกรูพประชาตินั่นปุ่นเปียบได้คือดังที้งกายศาสนาคือจังมะหัวใจให้เสียบยังดำลงไหวมหารกระสัดปุ่นปนานให้สายเง่ายสินประสาทสาวมาเพื่อแพ่สารประสานไหวทัวทิ้ง คนบ่มีศาสตรเกลียบใดโดยดังตีเมื่อกุดขันบ่มีศาสตร์น้าคือจังเซีนเซีนกุลคือจังตานปลายดวดม่อยพ้นเห็ุจนทนฮะว่าเลือ้อเสื้อบว่บเกี่ยวยืนใดตั้งแต่ลำต้นตาญยอดดวดมีแต่ลำไม่มีทางงอกงามคนที่มีร่างกายมีสมอ ง, ม, ม, องมีหัวใจเมื่อสมองพิกงพิการร่างกายแม้จะมีกําลังวังชา ก็ทำงานไม่ได้สมประกอบเป็นคนป้อมป้อมเปอเปอรแต่ถ้าหัวใจหยุดเต้นทันทีมันก็ต้องตายศาสนาคือจังหาะหัวใจให้เฉียบยังดำรงไหวมีภาอิสานนะนาขนาดนี้แหละเพราะเหตนั้นสปดาส่งเสริมพุทธศาสนาให้ชาติจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนในธงของประเทศไทยมีสามสีสีขาว สีแดงสีเหลืองผู้ที่ทำธงขึ้นมาเครื่องหมายนี้ชัดเจนมากแห่งเขียนไว้ในหนังสือดุสิตสมิทธ์ฉบับพิเศษ 2,461 มีกล่าวไว้ว่าขอพำระมรมพันธุ์บรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามตันนัทขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสด์หมายพระไตรัตและธรรมะขมจิตไทย สีแดงคือโลหิตเราไสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติตะนาน้ำเงินคือสีโซภาอันจอมประชาธโปไตเป็นของส่วนองจะริ้วเป็นหิวไตรรงจึงเป็นสีทงที่รักแห่งเราชาวไทยัญลักษณ์ชัดเจนแยกแยะกันไม่ได้การที่พว่าพุทธศาสนาเป็นสถาบันหลักคู่ชาติบ้านเมืองนี้เป็นมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทย พระเจ้ดำรระของพระมหากษัตริย์ทุกยุก ท, กทุกสมัยก็จะยกเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยขึ้นมาไม่ขาดศิลาจจริกพ่อกุลรามกำาแห่งมหารารชราจการที่สามแห่งกรุงสุขโขทัยได้พูดไว้ตอนนางเอกเมือง ก, กันว่าพ้อคุลรามกำาแห่งมหาราชพร้อมทั้งถวยแม่ชาวแม่ชาวเจ้าถวยปวดถวยนาง ลูกเจ้าลูกคุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายฟุงทวยมีศรัทธาในพระพุทธศานาทรงสิ้นเมื่อพันษาทุกคนมีมากกว่านี้นะคิดเกตเอามาพูดเพราะว่าเวลามันจำกัดแสดงว่าสมัยพ่อคุณล่างบ่มแห่งนั้นพระองค์พาลูกพัลานทวยป่ววยนางพ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลาย พวกที่เป็นหนุ่มเป็นสาวถวยปัวถวยนางลูกเจ้าลูกหนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งชายทั้งผู้หญิงผู้ชายคงเคยมีสถานในพระพุทธศาสนาทรงสิ้เมื่อพรรษาทุกคนนั่นตั้งแต่หนุ่มหนุสาวสาวลูกเจ้าลูกนายทั้งหลายทำบุญดำทานในหน้าพรรษาจำสิ้นกับพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็บง่งบอกเป็นประวัติศาสตร์ว่ามันแ ย, ยกแยกันไม่ได้ สถาบันชาติตาสนาพระมหากษัตริย์เริ่มประวัติศาสตร์ของชาติไทยถึงขาวก็นา่าทุตพิเศษของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสเข้ากาบฟ่อบังคมทูลสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งกรุงสิยุธยา2000 ป, ปี2228และกรชักชวในใพระเจ้าเป็นดินพระนารายมหาราชของเราเข้ารีดถือศาสนาคริสต์เพราะว่าในช่วงนั้น ฝรั่งเศสเรื่องอำนาจในขณะเดียวกันอังกฤษก็เรื่องอำนาจยึดมาหมดตั้งแต่อินเดียพมา่าซีดังการเนปาลภูฏานบางาังคลาเทศทิเบตประเทศไทยอยู่ตรงกลางทางฝรั่งเศสก็ยึดลาวยึดเขมยึดเวียดนามไทยก็เลยดำเนินนโยบายทางการทูตตีสนิททั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสพระเจ้าลุยมาเร็วกว่ามาเร็วกว่าอังกฤษ คือทักชวนให้พระเจ้าแผ่นดินเราเข้ารีดถือศาสนาคิดเลยทีนี้เป็นยังไงพนารายของเราท่านพูดว่าพระเจ้าลุยที่สิบสี่พระสหายของเราจะให้เราเข้ารีดดังนั้นหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเพราะในราชวงศ์ของเราได้นับถือพระพุทธศาสนามาช้านานแลว้วเห็นไหมในราชวงศ์ของเรา พอแม่ปูญญาตาขวดหลายโซ่คนหลายสซ่คนถือศาสนาพุทธมาแต่คึงเหงาเห้เปลี่ยนแนวใดนี่นะคดเบอกภาษาฮ่องมันก็เป็นการยากอยู่จะให้เราเปลี่ยนศาสนาอย่างนี้เป็นการยากและถ้าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสร่งดินจะต้องการในคนพั่วโลกได้นับถือศาสนาอันเดียวกันแล้วพระเจ้ามีต้องจัดการให้เป็นเช่นนั้นเสียเองหรือเนี่ บอกพระเจ้าลุยขันเป็นพระเจ้าสางโลกสังแผ่นดินพระเจ้ากษสรสังศาสนาสังผูกสังคนเมื่อหอมตัวเจ้าชือมาญญากาขวัยยังขันเป็นบอกว่าสาหงบ้านนี้พระเจ้าพงเกษตรในขวัยนักพืชศาสนาคิดเองตัวบรสันเหคนนี่ถือศาสนาเดียว้องตัวพงเกษตรหมาลายศาสนายังขันว่าพระเจ้าเป็นผู้สามเล่นเอาพระเจ้าลุยวัทิบ่เลยไปไม่รอด ที่นี่มาถึงสมัยกรุงธนบุรีจากอยุธยาจากสุขโขทัยสู่อยุธยาจากอยุธยาสู่กรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ได้สวรรคตไปนานแล้วสร้างกรุงธนบุรีใครก็รู้ประวัติทีนี้เป็นสิ่งที่น่าน่าคิดว่าที่วัดอรุณราชวรารามวัดเจ้งนะก็มีหลักศิล aja าารึกของพ่อกุณามกําแหงเรียกว่าจารึก ขออภัยไม่ใช่ผมรำกำแ่งไม่ใช่ตากสินจารึกตากสินเจ้าทพ่ผู้วริวารตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากู้ชาติพระศัตนาหวังถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศัตนาสมณะพระพุทธโคดมให้ยืนยงคงทนห้าพัน 5, ปีสมณะพามชีปฏิบัติแต่พอสม เจริญสมถวิปัสนาพ่อชื่นชมถาวายบังคมรอยบาทพระสาตดาคิดถึงพ่อพ่อพอยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์สัตตะาพระสตราะสตดาฝากไว้ให้คู่กันเหนีวชัดเจนไม่มีอะไรเทียงพ่าพระเจ้าเป็นดินของเราล้าชั่วราชวงศ์ล้าชั่วราชธานีของไทย เริ่มมาไม่เคยมีอื่นนอกจากพุทธศาสนาพอขึ้นต้นสมัยรัตนโกสินทร์สองพันสามร้อยยี่สิบห้าพระบาททรงเดืพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงประกาศพระราชปณิธานการเสด็จขึ้นของราชต่อฟ้าดินวะจะอุปถัมภกดอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบเขตคันทศีมาจะรักษาประชาชนและมนตรีเห็นไหม เอาพุทธศาสานาขึ้นมาอุปถัมภกศกย่อยกพุทธศาสานาและกับปกป้องคอเคกันทศน์มาประเทศชาติไม่ให้มันเสียหายสุดกำลังแล้วก็รักษาประชาชนและมัตนตีที่นี่เอกสารจงนุวพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมกากเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่สี่ พระองได้แสดงถึงน้ำพระทยที่มีต่อพระพุทธศาสน า, าในแผ่นดินไทยของพระองค์เองว่าอันหนึง่งในพระเจ้าแผ่นดินก็ตรัสสรรเสริญว่าศ า, าสนาใดๆ ไ, ไม่ประเสริฐกว่าพระพุทธศาสน า, ารับสั่งดังนี้ทุกพระเจ้าแผ่นดินมาจนทุกวันนี้เพราะซึ่งรับสั่งดังนี้ก็ดูเหมือนจะเอาใจพระสอ์ซึ่งเป็นเจ้าของศ า, าสนาโตอยู่ในแผ่นดิน ก็ที่เทพระสงค์ราชาคณะที่เป็นประธานในศาสนาก็ยังโง่งง่ายไม่รู้แผ่นดินแผ่นฟ้าขออภัยไม่ใช่แต่มาพูดนะพระชาแผ่นดินท่านพูดประจอมก้าวเจ้าอยู่หัวราชการทีเสท่านพูดที่ท่านบอกว่ายังโง่งงายนี่แต่ท่านก็นับถือหมายว่าไม่รู้จักฟ้าไม่รู้จักดินแต่พระองค์นั้นรู้จากฟ้าจากดินหมายว่าท่านเป็นหมอโด ท่านรู้หมกระทั่งว่าสุริยค่ากันตะขาดกบติกินเดือนกบติกินตะเวนยียงพระองค์รู้ไหมพระเจ้าพนดินองค์นี้ทรงทายศูนย์จันทร์ถูกต้องแน่นอนก็เมื่อเป็น่ังนี้ท่านยังสรรเสริญว่าพุทธศาสนาดีกว่าศาสนาทั้งกวงและทรงอุตสาหะประพฤติตามพุทธศาสนาอยู่ก็เห็นชัดว่าเป็นเพราะพึ่งพาอาศัยพุทธศาสนาอยู่ นี่เป็นคําตรัสเป็นคํำกล่าวของพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกา้าพระจอมเกา้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่สีต่อมาถึงรัชการที่ห้าพระเ จ, จ, จ, จ, จ้าอยู่หัวพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปิยะมหาราชได้ทรงรแสดงน้ําพระทัยของพระองค์ต่อพระพุทธศาสนาดังในปากกวัดพระราชฎ ท, ทะเลขาเขียนจดหมาย ถึงนายเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนผู้แต่งหนังสือ t ร e r อ s e of Asia หมายความว่าหนังสือประทีปแห่งเอเชียณะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ น, นายคนนี้เซอร์เอ็ดวินอาร์โนนแกเขียนยกย่องพระพุทธศาสนามือนดวงประทีปที่สว่างสวัยให้แก่บทวีปเอเชียแล้วพระเจ้าแผ่นดินของเรารัช ก, ก, กาลที่ห้าพระองค์ก็เขียนจดหมายไปถึงบอกว่าพระราชบิดาของฉัน ได้ทรงสละเวลาเป็นส่วนใหญ่ในการศึกษาคุ้มครองศาสนาของชาติส่วนฉันได้ขึ้นครองราษในขณะอายุยังน้อยจึงไม่มีเวลาที่จะเป็นนักศึกษาอย่างพ่อฉันเองมีความสนใจในการศึกษาหนังสือหลักธรรมต่างๆสนใจที่จะคุ้มครองศาสนาของเราและต้องการให้มหาชนทั่วไปมีความเข้าใจอย่างถูกตอ้องแม้แต่การศึกษาของพระพิสุทธิสงครามมเนงก็ถือว่าเป็นภารกิจของรัฐ ซึงรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่ตูเล่เพราะวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสังคมไทยซืบมาตั้งแต่โบราณดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าไว้ในอธิบายเรื่องการสอบปริยัติธรรมว่าการสอบพระปริยัติธรรมของพระภิสุสามเณรนับเป็นราชการแผ่นดินอย่างหนึง่งด้วยอยู่ในพระราช ก, กิจของพระพเจ้าแผ่นดินผู้เป็นพุทธศาตนูประถมพกนี่เป็นคำกล่าวอย่งนี้การสอบ ปริยัตนั้นเป็นราชการเพนิดียังนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หกมีพระราชดำรัสมากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาท่านเป็นนักเทศนะพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวเป็นนักเทศเขียนหนังสือเทศานาะเสื้อป่าคือสอนชาวบา้านสอนช่วยพระหน้นาอนุโมถนาถ้าเกิดว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสําหรับชาติเรา ศาสนาในสมัยนี้เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้เป็นความจําเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทยจะต้องมั่นอยู่ในศาสนาพระพุทธซึ่งเป็นศาสนาสําหรับชาติเราเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะช่วยกันบํารุงรักษาพระพุทธศาสน า, าอย่าให้เสื่อมสูญไปการที่จะบํารุงพระพุทธศาสนาเราต้องรู้สึกก่อนว่าหลักของพระพุทธศาสนาคืออะไรเราจะถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันหมด เราจะต้องรักษาความเป็นไทยของเราให้อย่างยืนเราจะรักษาพระพุทธศาสนาให้ท้าวอนพัฒนาการอย่างที่เป็นมาแลว้วหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนของเราตั้งหลายอ้าวทีนี่ก็มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราผู้มีพลอดุลยเดชรัชการที่เก้าของเราในยุค ป, ปัจจุบันเมื่อพระองค์ได้สเสด็จถลิงทวัลราชสมบัติครั้งแรกพระองค์ได ประกาศประนิธานต่อฟ้าต่อดินว่าเราจะปกห้องแผ่นดินนี้โดยธรรมคำว่าโดยธรรมนี่ก็คือโดยธรรมทศพิต ร, ราชธรรมอันเป็นคำสังรร่งสอนในทางพระพุทธศาสนาพระองค์ได้ประกาศอย่างนี้และก็ทรงกระทำพระราชกรณียกิจและปกห้องแผ่นดินของพระองค์โดยธรรมไพ่ฟ้าอนาประชาราชพระศกในกร ภายใต้เบื้องยุคนปะพระบรมโพธิสมภารได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาเวลาเขาอาอาจนขับขันเข้ามาอย่างกรณีรเผชิญหน้ากันระหว่างผู้เรียกร้องประชาธิปไตยตุสสิตุลาที่ผ่านมาหรือเมื่อวันที่แปดที่เก้าที่สิบเดือนอพฤษภาเดี๋ยวนี้เมื่อกี้นี้ผ่านมาก็ อ, อาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์นั้นแหละแผ่ปกคลุมด้วยอำนาจแห่งธรรม ก็เลยทำให้วิกฤตการณ์นั้นจากร้อนผ่อนเป็นเย็นจากหนักเป็นเบาเข้าสู่ภาวะปกติที่เราเห็นในว่าพระมหากรรษัตริย์ไทยของเราทุกทุกพระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาทานุบารุงพระพุทธศาสนาในขณะที่สังคมยุค ป, ปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ในรัฐธรรมนูญการปกครอง ที่กำลังวุ่นวายที่จะแก้ไขกันอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ยินว่าจะมีประเด็นใดที่นักการเมืองจะบอกว่าให้เอาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติโดยสมบูรณ์เรายังไม่มีเลยนะในขณะที่ยังไม่มีแต่พระบาทตมเด็พระเจ้าอยู่หัวของเราท่องพูดอย่างเต็มปากแม้ว่าบทบรรยันในรัฐธรรมนูญข้อว่าพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามะกะทีนี่จะมีผู้ตีความว่า เป็นการบ่งบอกโดยในว่าพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาประจําชาติเพราะกําหนดตายตัวในพระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาคู่กับสถาบันพระมห ah ากษัตริย์และเป็นหลักประกันว่าองค์พระประมุขของชาติทรงเป็นสาสนิแห่งศางสน า, า, าเดียวกันกับประชากรส่วนใหญ่ของประเทศของพระองค์แต่กระนั้นคนไทยไม่น้อยที่ถือว่าได้รับการศึกษา มือผู้ดีมีหน้าที่รับผิดชอบชะตากรรมของประเทศก็ยังขาดความมั่นใจมั่นใจที่จะพูดว่าศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติขาดความมั่นใจพยายามหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงคำพูดประโยคสั้นๆเท็จพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บ่งชใช่ั้น หรือไม่เขาพูดออกมาอย่างอึกอักอ้อมแอ้มว่าเราถือศาสนาพุทธแต่ไม่อยากพูดว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติกลัวจะกระทบกระเทือนศาสนาอื่นความจริงไม่มีทางที่จะไปกระทบกระเทือนไปเบียดเบียนไปข่มเห็นคนอื่นได้เพราะพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมภาวะที่ลังเลขาดความมั่นใจไม่แน่วแน่เข้มแข็งที่เริ่มกลายเป็นความขัดแย้งกันนี่ได้ครอบ ง, งาสังคมไทยอยู่ในช่วงเวลานึ่ง ช่วงที่เราไปเรียนเมืองนอกวิ่งตามฝรั่งเอาอะไรตามฝรั่งหมดนั่นแหละในที่สุดความยืนยันตัวเองก็กลับคืนมาได้อีกครั้งเมื่อชาวไทยทั่วประเทศได้ฟังพระกระแสพระราช ด, ดำรัสความพระบาทต้องเดบพระเจ้าอยู่หัวปูพิพลอานุญนยเดชของเราได้ตัดต้อนรับพระสันตปาปาจอห์นพรที่สองประมุขแห่งาศาสนาจักคาทเลกที่มาจากกุ้งโรม ที่มาจากวาติกันอาดมาจำได้ว่าปีนั้นเป็นวันที่สิบพฤษภาสองพันห้ารอยยี่สิบเจ็ดอาตามายังอยู่ที่อฟเิกาขาวที่พระสันตะปาปาจอห์นพรที่สองประมุขแห่งอาณนจกักรคาทอลิกเข้าเฝ้าณพระที่นั่งเจดีย์มหาประสาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ตัดมีความจำเพาะตอนตอนนึ่งว่า คนไทยเป็นศาสนิกที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติเมื่อพระเจ้าอยู่หงส์เราได้พูดอย่างนี้ก็เป็นอานาจคนทั้งหลายที่ลังเลที่จะพูดก็พูดออกมาได้อย่างเต็มปากเต็มคำเนี่ย พ, พระองค์พูดอย่างนี้ก็เป็นอานาสัส ป, ปดาส่งเสริมพุทธศาสานาแห่งชาตินั้น คอยแล้วเขาจะได้ชัดเจนขึ้นมาเถอะเรจะเห็นได้ชัดพุทธศาสนาสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของคนไทยที่รักความเป็นอิสระเสรีศาสนาอื่นยังไม่เหมาะสมยังไม่สอดคล้องเพราะยังจะต้องไปหวังพึ่งพาอาศัยอ่อนวอนพึ่งพาอย่างองื่นแต่พุทธศาสนานั้นมันเหมาะสมกับคนไทย เพราะคนไทยนั้นเรียกชื่อตนเองว่าไทยไปว่าอิสรภาพเสรีเป็นใหญ่ในตัวเองไม่เป็นทาสของใครทั้งนั้นแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นตัวเทวดาฟาดินที่เราจะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นมีความรู้สึกและพูดเคียงกันแบบว่าชาวไทยเป็นชาติที่รักความเป็นอิสระเสรีไม่ยอมและทนไม่ได้ที่อยู่ใต้อำนาจบังคับของใคร ในแง่ส่วนรวมของชาติหมายถึงความเป็นเอกราชซึ่งชนชาติไทยรักษามาได้โดยตลอดถ้าพูดถึงอดีตการอันนานไกลก่อนพันปีมาแล้วเมื่อดินแดนของตนถูกลุกลานครอบครองก็ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจครอบครองพากันอบประโย่นท้อยมาตั้งหลักใหม่มาเรื่อยจางเหนือจดใต้จนมาถึงทะเลทิ้นสุดท้ายตายที่มันขวานเล่มนิดลิขิกาดเคยฟาดฟัน ที่จะไปไหนถอยอีกต่อไปไม่ได้ไรไม่ได้ตกทะเลหรือจะพูดระยะหนึ่งร้อยย้อนคืนไปสี่ร้ยปีวันนี้เป็นก็เป็นประเทศหนึ่งในจํานวนน้อยประเทศนักในทวีปเอเชียที่สามารถรักษาตัวเองรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของประเทศนักล่าอานายเขาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเพราะคนไทยก็ไม่ชอบ เขาชอบเป็นตัวของตนเองชอบทําอะไรด้วยตัวเองชอบทําตามใจของตนเองชอบทําอะไรอๆจะเพาะเป็นอิสระจน ม, มีบ่อยๆที่เหมิ่นแมเพราะนั้นลักษณะเช่นนี้ลักษณะของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปลดแอกจากพระผู้เป็นเจ้าเทวดาฟาดินเทวาอิจันติปา ร, ริก า, ามัสสะปุลิตะเมปะ รปรักมัตค์ขอไปพูดอย่างภาษาบาลี Galile. แปลว่าเทวดาไม่สามารถจะเกียดกันความภาคเพียนของมนุษย์ได้ประพูดแต่จาว่าอย่างนี้ทีนี้แม้แต่ชื่อของประเทศไทยดังกล่าวแล้วในตอนต้นๆว่าไทยกับสยามเนี่ยก็ไม่ไอิสระอยู่ดีๆคําว่าไทยเป็นคําเดียวเป็นภาษาบาลีมาจากคาว่าไทยไทยไทย คือเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อคนอื่นไม่ขึ้นต่ออย่างอื่นที่พูดไปว่าเป็นไทยแก่ตัวซึ่งก็ตรงกับมีอิสระภาพหรือเป็นอิสระเสรีนั่นเองส่วนคำว่าสยามก็มาจากภาษาสันสกฤตบ้างบาลีบาลีว่าสายามเขียนเป็นสันสกฤตว่าสยามสยามแปลว่าเองโดยตนเองในตัวเองลำพังตัวเองสยามสยามเนี่ยใช้ในความหมายตรงกัน กับคําว่าไทยเป็นซิโนนิมเป็นไวยพจน์แก่กันอะไรกันฉันเป็นไทยเป็นสยามเป็นอิสระเสรีอาซาบาลีวาสยามวสีสยามวสีแปลว่ามีอํานาจในตัวเป็นตัวของตนเองสามารถทําอะไรอะไรได้ตามใจตนเองสยามวสีสยามวสีมารวมกันเป็นชุดว่าเสรีสยามวสี อิสระภาพเสรีเป็นญ่ในตนเองภาษา บ, บีพูดอย่างี้นางวิสาขาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามีเรื่องในวิสาขาดีเห็นได้ชัดไปเฝ้าพรุทธเจ้าพุทธเจ้าม า, มาแต่ไหนตั้งแต่กลางวันบอกมีประโยชน์บางอย่างหาพระเจ้าปร์เซนที่โกศลอยากกได้ อะไรบางอย่างแต่ท่านไม่ยอมให้มันเป็นอำนาจของท่านเราไม่มีอำนาจาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอย่างนี้แหละชีวิตที่อยู่ใต้อำนาจของคนอื่นมันเป็นทุกข์นะถ้าบาอย่างนี้สัพพังประวัตสังทุกขังสัพพังอิสเรียงทุกขังการอยู่ใต้อำนาจคนอื่นเป็นทุกข์ทั้งสิ้นอิสรภาพเป็นสุขทางนั่นภาษาบาลีก็คือว่าอิสรียง ตกขังพระาวาสังเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะพูดว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านจากนี้มีคนถามท่านอปปากาจิบวกท่านก็บอกว่าณเนะมธะจาริโยอัตติอาจารย์ของเรามีได้ดนี้เนีย่ยสยามอภินญายะสยามอภินญายะถ้าพูดเป็นภาษาษสันสกีว่าสยามอภินญายะเราเป็นสยามก็ ร, รู้เองเห็นเองเนี่ยลักษณะเชน่นนี้เพราะเหตุนั้นมันเหมาะกับคนไทยมาก พุทธศพ์นาแล้วชื่อของประเทศไทยก็เป็นชื่อภาษาบาลีเป็นชื่อภาษาสันสกิตานั้นอย่างไรก็ตามเราจะเห็นได้ว่าสั ป, ปดาส่งเสริมพระพุทธศัพท์นาในวันวิสาขาบูชาขอให้เราตั้งหลายได้เข้าใจว่าวันวิสาขาบูชานี่แหละคือวันประกาศความเป็นไทยวันประกาศอิสรภาพของความเป็นมนุษยชาต ประกาศศักยภาพศักดิ์สิทของมนุษย์อยู่เหนือเทวดามาทรทมอยู่เหนื อ, อพระจงพระเจ้าเนื้อพระพุทธเจ้าเกิดมาวันแรกเพราะวันนี้เป็นวันตรัสรุปวันประสูติวันประสูติพร ะ, ร พ, ระรพุทธเจ้าตามตำนานเดินออกได้เจริก้าแล้วพูดเป็นอีกด้วยบวอกว่าอโคหมัสสมิเราเป็นผู้เลิศในโลกเลิศกว่าเทวดามาทรทมเพราะนั้นวัน สูตรวันตสลูวันปรินิพานประมวลกันมาเป็นวันวิสาขาบูชาวันที่เราจะมาส่งเสริมพระพุทธศาสนาสั ป, ปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาควาเขา้าใจทีว่าวันนี้เป็นวันเป็นไทยวันเป็นอิสระภาพวันเป็นสยามหมายความว่าเป็นไทยในฐานะที่มนุษย์ทั้งหลายตก อ, อยู่ในภาวะที่ความทุกข์ครอบงำภาวะหวาดกลัวอาศัยพังเ่งพาอาศัยสิ่งภายนอก แต่ผู้ทีเจ้าเกิดมากับประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นต่อสิ่งใดเลยอย่างนี้เทวานะอิชติปรักตมสัสะสปูริสตะเทวดาไม่สามารถเพราะเจ้าไม่สามารถมากีกันความภาคเพียงพยายามของ ม, มนุษย์ได้หลังจากนั้นท่านบอกว่าสเทวเกสมาลาเกสมั น, นะพามณีเทวดามานถมที่ไหนก็ตาม นักทีเมย์ปฏิปุกขล้อไม่มีใครในโลกที่จะยิ่งกว่าเราท่านบอกประกาศกับอุปการชีวคนที่พบท่านรัางแรงเมื่อท่านตรัสรู้เพราะเหตุนั้นความหมายสำคัญมันอยู่ตรงที่ความเป็นไทยเป็นไทยจากกิเลสเป็นไทยจากตัณหาเมื่อให้มันมาเป็นเจ้าเป็นนายทรมานเราอีกต่อไปเรามาทรมานกิเลสให้มันหมดไปมันสิ้นไป วันวิสาขามีความหมายตรงที่ได็ตัดสรู้การเกิดมาของพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อจะตัดสรู้เพื่อจะรู้เห็นสิ่งต่งางยตามเป็นจริงเพื่อจะสว่างตัวไว้เพื่อจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสิ่งใดอีกต่อไปเพราะนั้นการปรินิพานก็มาจากการตัดสรู้ปรินิพานไปวัดดับไม่เหลือซึ่งความทุกข์ปัญหาของชีวิตทั้งกวงถ้าไม่ได้ตัดสรูส้สกา การปรินิาพนนานเกาะจักเติดมีมาไม่ได้ด้วยเหตุนี้คอยเราตั้งหลายได้เข้าใจว่าวันวิสาขาบูชาก็วันที่มนุษยชาติตั้งหลายได้ประกาศอิสรภาพเนือสิ่งตั้งหลายเทวดาฟาดินชนิดที่เรียกว่าสัถาเทวมนุษสานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันก็มาเหมาะมาสมม า, ม, มาก็มมากลืนมาซอกมาคลองกับ ความเป็นคนไทยความเป็นคนสยามดังกล่าวแล้วคอยเราทั้งหลายได้ภาคภูมิใจได้ยินดีในพระพุทธศาสนาไม่เสียชาติเกิดเกิดมาไม่เป็นมันการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าไม่เป็นมันการเป็นพุทธบริษัทของเราก็ไม่เป็นมันการกระทาวิสาขาบูชา อย่างพวกเราทั้งหลายไม่กินข้าวกันเลยตลอดเวลา24ชั่วโมงในวันวิสขาขบูชากินแตน่น้ำเนี่มันก็ไม่เป็นมันไม่ว่างเปล่ามีแต่ความสว่างสวยมีแต่ความสงบประงับมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ในจิตในใจดังที่เรากาว่าอิเมสเกเรทุกตะปนักราระผูเตปะเทขนันหาโ ขอพระบูมีสภาเจ้าจงรับเรื่องศักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายบรรณาการอันยอดเยี่ยมคือการประพฤติปฏิบัติตามพระองค์เราบอกว่าเอาร่างกายของเราต่างภาชนะใส่ดอกไม้ทูบเทียนบูชาภาชนะสกะปกด้วยกิเลสตันหาเราไม่เอาเราเอาภาชนะที่สะอาดจิตใจอยู่ในภาชนะที่บูชาด้วยความสว่างสวัย รู้จักบาปเป็นบาปรู้จักบุญเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้ารู้จักคุณค่าของพระธรรมรู้จักคุณค่าของพระสงฆ์คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อแยกจากกันไม่ได้ถ้าเข้าใจมิสะขะบูชาให้ดีๆหมายก็ว่า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสรู้อะไรก็รู้ธรรมะที่จะทําให้ตื่นใหเบิกบานให้แจ่มใสส่วนพระสงค์ก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสตามหลังผู้ที่รู้มาก่อนคือพระพุทธเจ้าในที่สุดมันก็เป้าหมายของพุทธศาสนาแก่นสารที่สูงสุดก็คือความหลุดพน้นวิมุติสารโรความหลุดพ้นจากการครอบงําด้วยอํานาจของกิเลส